พวกเราเป็นนักบวชและนักปฏิบัติถ้าจะถือเป็นขั้นก็อนอะว่าเป็นขั้นที่สูงเป็นอันดับที่สูงกว่าขั้นใดๆการเรียนก็ยังไม่ หนักแน่นอะไรหนักแต่การปฏิบัตินี้ต้องมีความหนักแน่นทุกสิ่งทุกอย่างใช้ความพินิจพิจารณาใช้สติปัญญามากยิ่การปฏิบัติกิจเพื่อจะให้ได้ผลตามพระาวา่ากิจทรงสอนและให้ได้ผลดังที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลาย ท่างได้รับมาแล้วนั้นต้องได้ใช้ความพินิพิจนามากมายในขั้นต้นก็คือสติสติเป็นธรรมจาเป็นมากในทุกการสถาที่และหน้าที่การงานทุกประเภทไม่เลือกเว้นในการงานที่จะไม่มีสติเข้าเกี่ยวข้อง การปฏิบัติต่อจิตใจนี้ซึ่งเป็นของละเอียดมากยิ่งกว่าสินใดๆในโลกนั่นยิ่งเป็นของสําคัญมากกิเลสก็เป็นของละเอียดเช่นเดียว ก, กันกับใจจึงอาศัยและอยู่ด้วยกันได้ด้วยมาตั้งแต่กับกันใดไม่ทราบเนี่ยนับไม่ได้หรืและเพึงทราบว่าพระอวาท ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่สัตว์โลกนั้นเป็นพระว่าที่ออกมาจากพระไทยที่บริสุทธิ์สุดส่วนซึ่งสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติ ท, ที่ถูกต้องสมบูรณ์เต็มที่ในฝ่ายเหตุจึงทำให้สมบูรณ์เต็มที่ในฝ่ายผลที่ว่าได้ักดสรุธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่ละเอียดมากที่สุด ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องได้ใช้ความพินิษพิจารณาตามพระโอาวาทแต่ละบทระบาทแต่ละขั้นละตอนอย่างละเอียดละ อ, อ่ไม่ใช่สักแต่ว่าสักแต่ว่าทําอย่างนั้นไม่ตรงกับพระโอาวาทที่ทรงสั่งสอนด้วยความจดจอ่อโดยพระเมตตาของบุคคลพรเจ้าสุดส่วนจริงๆถ้าการกระทําของเรา การสำํำเนียบศึกษาและปฏิบัติของเราไม่ใช้ความพินิจณพิจารณาความจงใจจริงๆก็เข้ากันกับพระโอาวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสแสดงด้วยพระเมตตาเต็มส่วนไม่ได้โียเฉพาะอย่างยิ่งบงปฏิบัติเราที่ปฏิบัติไม่ได้เหตุได้ผลไม่รู้ว่าต้นเป็นยังไงปลายเป็นยังไงหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ หลักใจกม็มีเพราะหลักธรรมไม่มีหลักธรรมไม่มีเพราะสติขาดบักขาดตอนและไม่มีสตินี่เป็นของสาคัญหากได้พยายามทาตามจริงๆด้วยความจดจ่อต่อเนื่องและมีความมุ่งหวังอย่างเต็มที่ดังพระพุทธเจ้ า, าและสาวกท่านมุ่งหวังจนได้สมเร็จผลเป็นที่พอใจแล้วเหตุใดการประพฤติปฏิบัต ของพวกเราจะไม่เข้มแข็งสติจะไม่ดีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝึกได้ให้มีความคล่องตัวได้เช่นเดียวกับสิ่งอื่นื่นงานใดก็าตามทาทีแรกย่อมไม่สะดวกคุกครับแต่ขั้นทําไปทําไปก็เกิดความชำนิชำนาญและคล่องตัวเช่นเราเขียนหนังสือหลับตาเขียนยังได้คล่องขนาดไหนดูสิ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 หรือสัมปชัญญะนั้นเป็นเครื่องรักษาอยู่ตลอดเวลาจิตไม่หาเรื่องหาราวมอก่อกวนตัวเองย่อมเป็นจิตสงบที่จิตไม่สงบนั้นเพราะอะไรเพราะเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นจากใจเองโดยไม่มีสติตามควบคุมหรือรักษาจึงเล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์นั้นอารมณ์นี้ และร้อยทั้งร้อยเป็นอารมณ์ที่เป็นภัยเสียทั้งนั้นแล้วจะหาความสงบร่วงเย็นจากอารมณ์ที่เป็นภัยเข้ามาก่อกวนนั้นได้อย่างไรถ้าอารมณ์ก็ต้องเป็นอารมณ์เพื่อความสงบที่ท่านเรียกว่าอารมณ์แห่งสมถะการกําหนดทำบุใดก็ตามนั้นเรียกว่าอารมณ์คือเอานำธรรมนั้นมาเป็นอารมณ์อารมณ์ที่จะให้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 ผู้ปฏิบัติจึงควรใช้ความพิจิตพิจารณาด้วยดีแล้วนำอารมณ์ที่ว่างเข้ามากากับใจใจบางครั้งทั้งๆ ท, ที่เราใช้คาบริกรรมอย่างเด่นชัดเด่นชัดรู้ชัดเห็นชัดอยู่ในคาบริกรรมของตนเวลาคาบริจิตมันค่อยละเอียดเข้าไปนี่คำบริกรรมจนไม่ปรากฏก็มีนี่เป็นไปได้ในวงปฏิบัติ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 หรือมิฉะนั้นเราจะใช้อุบายปัญญาเอาพาก้าทางด้านปัญญาเพราะความสงบประเภทนี้มีความคิดการแต่ตองได้เป็นธรรมดาไม่ขัดกัน้าเดินกรรมฐานสิกรรมฐาน5กรรมฐานอาการ32เหล่านี้เป็นกรรมฐานคืองานที่ควรทำและงานที่เหมาะสมของการปฏิบัติทำอย่างยิ่งอยู่แล้ว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 ท่านจบกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งการงานของผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อการถอดถอนวิเลศต้องถืองานเหล่านี้เป็นพื้นฐานอันสำคัญมากนั่นฉันจึงให้ชื่อว่ากรรมฐานกรรมฐานกรรมฐานห้าก็คือฐานที่ตั้งแห่งงาน5ประการได้แก่เกีสาลุมานาคานตาตโยเป็นพื้นฐานก่อนในเบื้องต้น ต่อจากนั้นทนี่มีโอกาสหรือว่าเป็นความโล่งโปรง่งพนันจิตใจคิดอยากจะพิจารณาอยากเที่ยวกับมาฐานภายในตัวของเราเราก็เที่ยวได้เบื้องบนก็ขึ้นทิษะดูผมดูหนังอยู่บนทิศะห่มห่ อ, หอกระโหลกีิษะอยู่กระโหลกทิษะนั้นคืออะไรเป็นอะไรโลกทั้งโลกเขาก็ให้ชื่อว่ากระดูก มันเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่ไหนกันฟังที่กระดูกทิ้งเกลื่อนตามถนนทุนทางไม่เห็นมีความหมายอะไรแต่กระดูกบนชิษะเหล่านี้ทําไมจึงมีความหมายนักหนาในโลกอ น, นี้ติดกันเพราะกระดูกนี้ทั้งนั้นใครเป็นคนผ่านกระดูกนี้ไปได้เพราะอะไรเพราะความสําคัญของกิเลสเสกสรรขึ้นมาให้สิ่งเหล่านี้มีคุณค่ามีราคาทั้งๆังที่มันไม่มีราคานั่นเอง นี่ละเรียกว่าเป็นเครื่องหลอกอันหนึ่งอันหนึ่งเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวกรรมฐ า, านดังที่ว่านี้จึงเป็นการเข้าไปแก้ไขเหตุการณ์ที่มันพัวพันกันอยู่โดยหาเหตุหาผลไม่ได้ซึ่งเกิดขึ้นจากความหลอกลวงความสำคัญมันหมายผิดๆของกิเลสประเภท ต, าตา่างๆด้วยปัญญาของเราให้พินิจพิจารณากาหนดดูเข้าไปจากกะโหลกทีสาแล้วเข้าไปในมันสมองปัญไง มันเต็มเพราเรื่องของปฏิกูลโสโครเป็นสัตว์ที่ตรงไหนเป็นบุคคลที่ตรงไหนเป็นดาวเป็นเขาที่ตรงไหนเป็นหญิงเป็นชายที่ตรงไหนดูให้ชัดด้วยปัญญามีสติเป็นผู้ควบคุมในการดูงานนั้นๆแล้วจิตจะเพลินพิจารณาจะเพลินทํางานหรือเพลินเที่ยวกรรมฐานอ้าวขึ้นเข้าขึ้นข้างบนจนหมดลงเลื่อยไปหมดนั่นแหละเพราะเป็นกรรมฐานเป็นที่ท่องเที่ยว ของกิตภาวนาด้วยกันทั้งนั้นเดินลงไปหนังหุ้มกระดูกนี่ดูสิหนังหุ้มเนื้อห่อเนื้อพระจะพริยันโตหนังหุ้มรอบหรือหนังหุ้มอยู่โดยรอบไหนถ้ามมนมีหนังแล้วเป็นยังไงคนทั้งคนทั้งเขาทั้งเราดูกันได้ไหมนี่หรือเป็นคนอันหนังหุ้มอย่นี่หรือหนังนี่หรือเป็นขนหนังก็เป็นตั้งชื่อขึ้นมาอันต่างหา และดูตั้งแต่ภายนอกเข้าไปภายในและดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูเข้าไปให้ลึกซึ้งเต็มตัวภายในของเหล่านี้มีอะไรบ้างมีแต่สิ่งอย่างเดียวกันหมดแบบเดียวกันหมดถ้าว่าอนิจจังก็แปรสภาพเหมือนกันหมดไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากัน ว่าทุกข์ขังก็เหมือนกันสิ่งใดในร่างกายนี้จะทําเราให้มีความสุขความสบายไม่เห็นมีมีแต่ทําความทุกข์ให้อยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนียาบทต่างๆนั้นก็เพราะการบรรเทาความบีดบังคับของร่างกายที่เรียกว่าทุกข์ว่าทุกข์กนั่นแหละถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้มันหนักมากไปทุกข์มากไปจึงต้องตัดต้องเปลี่ยนียาบทเรื่อยๆเนี่ําว่าอนัตตาก็เหมือนกันอะไรมันเป็น เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขามันมีตั้งแต่สภาพเป็นความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งแต่ละอย่างละอย่างก็้หมดเท่านั้นนี่ก็เพราะกิเลสนั่นเองเข้าไปเสกสรรตั้นยอว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทั้งๆที่มันไม่เป็นกิเลสเป็นของปลอมกระจายไปสู่อันใดอันนั้นจริงไปปลอมไปหมดหาความจริงไม่ได้ เชื่อความจริงไม่ได้เราจรึงหาหลักเกณฑ์ไม่ได้นั่นด้วยเหตุ น, นี้จึงต้องเอาปัญญาเข้าไปอย่างซาบตามความจริงของมันแต่และอย่างะอย่างหลายครั้งหลายหนหลายตลครบตวนจิตใจย่อมมีความสงบเย็นปล่อยวางสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จากคําว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาหรือเป็นเนื้อเป็นหนังเองก็ดูกโดยลาดับลงไปเสียได้โดยลําดับลําดาใจเย็นอ่เที่ยวลงไปสิกรรมาฐาน ลงไปพื้นเท้าเป็นยังไงดูหมด ร, รอบตัวของเราเป็นยงไงนี่เวลาที่เราอยากจะเที่ยวกรรมาฐานเอาเที่ยวได้ไม่ผิดไม่ขัดต่อจิตตะภาว น, นาในโอกาสที่ควรจะเที่ยวจิตอยากจะเพลินไปตามสนัพาร่างกายเหล่านี้เอาให้เพลินไปเพราะเพลินในกรรมาฐานเที่ยวกรรมฐานนี่ก็ทำได้ในการที่ควรจะทาที่เห็นว่า เหมาะสมกับงานของตนในเวลานั้นที่อยากทำอยากพิจรารณาก็ให้พิจารณาไปนี่เรียกว่ากรรมฐานเที่ยวกรรมฐานเที่ยวตามป่าตามเขานั่นก็เที่ยวเพื่อทำงานประเภทนี่แหละเพื่อหาที่เหมาะสำหรับจะพิจารณากรรมฐานภายในเที่ยวกรรมฐานภายในให้คล่องตัวให้แจ่มแจ้งชัดเจนหันจิงสอนให้ไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม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 สถานที่ที่เหมาะสมกับการภาวนาในอิยาบทนั้นๆ น, น, นี่ท่านเรียกว่าเป็นที่เหมาะสมกับการภาวนาเป็นสถานที่ไม่พลุกพล่านวุ่นวายด้วยฝูงชนและสิ่งก่อกวนทั้งหลายมีผัดมีเปลี่ยนสถานที่นั่นทนี่นี่นั่นท่านเรียกว่าเที่ยวกรรมาฐานเพื่อทำงานด้วยความสะดวกของจิตตะภาวนาของเรา ไม่ใช่ว่าลุกขมูลตั้งแต่วันบวดมาให้อยู่ตลอดชีวิตที่ท่านว่าให้อุตส่าห์พยายาม ป, ยปฏิบัติไปตลอดชีวิตนั่นก็คือเข้าเข้าออกออกเข้าร่มไม้ชายคาเข้าลุกขมูลร่มไม้เข้าในป่าในเขาให้ผัดเปลี่ยนกันในสถานที่ที่เหมาะสมกับการภาวนา น, นี้ตลอดชีวิตเถิดความหมายว่าอย่างนั้นอย่าได้เข้าไปผู้พ่พางวุ่นวายกับ สิ่งที่จะให้เกิดกิเลสตัณหาหรือส่งเสริมกิเลสตัณหาประเภทต่างๆให้มากมูลขึ้นในใจจะเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนมากไม่สมกับผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสออกจากใจน่ะท่านหมายอย่างนี้พาคันเข้าใจเอาไว้แล้วพระอาวาสของพระพุเทธเจ้าทุกบททุกบาทนั้นเพิ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะปฏิบัติตามเช่นลุคขมูลพระพุเทธเจ้าก็ เคยบำเพ็ญมาแล้วได้ผลเป็นที่พอพระไทยเพราะสถานที่เหล่านี้มาแล้วจึงต้องแสดงสถานที่เหล่านี้อย่างเปิดเผยประจำพระโอวาทหรือศาสนาของพระองค์ไม่ทรงละเว้นเลยนั่นะบวชเข้ามาก็บอกเลยทันทีบอกสถานที่เหมาะสมกับการทำงานของเราคือกรรมฐานเหล่านี้ใจเมื่อได้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 แลปัญญานี้เป็นสิ่งสําคัญมากทีเดียวในวงพระศาสนาปัญญาเป็นสําคัญที่จะฟาดฟันหันแหลกยิเลศทุกประเภทไม่มียิเลศประเภทใดจะเหนือปัญญาไปได้เลยพระพุทธเจ้าขระตรัสสะดุด้วยปัญญาเป็นตอนกันเป็นดาบอันคมกร้าที่สุดเลยปัญญาเราจะเห็นได้เวลาปัญญาที่คล่องตัวกําหนดไปถึงจุดไหนจะพังไปเลยยิเลศทังไปพังไปเลยไม่ไม่มีที่จะอยู่ได้ นี่คือความแก่กล้าสามารถดึกครั่งตัวของปัญญายิ่งเป็นเหมือนกับว่าดาบอันคมกล้าที่สุดปัญญาก็มีหลายประเภทแตุณณิปัฏนานั่นท่านบอกปัญญาเพื่อความเห็นแจ้งอย่างอ่อนๆไปโดยลำดัดจนกระทั่งมหาสติมหาปัญญาเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วยังไรก็ไม่มีอะไร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 ปริญผ่านไปแล้วนะแล้วอยู่ไกลด้วยปริพานอยู่เมืองอินเดียโนนด้วยล้วนแล้วตั้งแต่เป็นความสําคัญผิดทั้งนั้นรูปคำหลมหลุมแรงแรงแต่หาความจริงไม่ได้ความจริงอย่างแท้จริงคืออะไรท่านสอนว่าอย่างไร <c oughs> นั่นพระโอวาท่านสอนว่าอย่างไรเหมือนพระพุทธเจ้าประทับนั่งประธานพระโอวาท บทนั้นบทนั้นบทนั้นอยู่ต่อหน้าต่อตาของเรานั่นแหละยึงเข้ากันได้กับที่ว่าพระธรรมและพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาทแทนเราตถาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วคือเรานี้ผ่านไปแล้วนะให้พึงพากันเคารพหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเท่ากับเคารพาศาสตราและ้วพยายามเดินตามพระอาวาททั้งสองประเภทนี้คือพระธรรมพระวินยัย อย่าให้คาดเคลื่อนเพียงใดที่พระพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นโทษให้พยายามละมัดระวังเช่นกับเสือร้ายตัวหนึ่งหรือหรือไฟมันจะเผาไหม้ได้จริงๆไม่สงสัยถ้าประมาทเสือร้ายก็เหมือนกันเนี่กิเลสแต่ละประเภทประเภทเท่ากับเสือร้ายด้วยเสือร้ายยังเป็นการเป็นเวลาที่บีบบี้สีไฟลึกทําตลายแก่คน จากกิเลสนี้มันมีอยู่เป็นประจําตลอดเวลาและกล่อมสั่นโลกได้อย่างสนิทปิดหูปิดตาไม่สามารถที่จะทราบว่ามันเป็นภัยได้เลยก็เพราะกิเลสนี่เองเป็นตัวที่แหลมขมมากจึงแก้กันได้ยากที่สุดด้วยเหตุ น, นี้จึงต้องได้ใช้ความพินิษฐพิจารณาให้มากในการแก้หรือการถอดถอนกิเลส ย, ยาทําสักแต่ว่าทําำยาสุ่มย่าเดาให้ตั้งบุกตั้งใจทําการประพฤติปฏิบัติทำ นี่คำว่าพระคุปปติบัติบธรรมนี่มันมีกิเลสจีดขวางอยู่ในทา่าในการดําเนินจึงต้องในชําระสกักฟอกกิเลสเข้าไปเดิมดับนี่แหละท่านเรียกว่าปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อเห็นธรรมด้วยการชําระสิ่งโสโปรกสรมมุมทั้งหลายที่หุ้มห่ออยู่ภายในจิตใจไม่ให้มองเห็นธรรมได้ไปโดยลําดับลาดาจากกนกระทั่งจิตที่ไม่เคยสงบก็สงบได้สงบได้มากได้น้อยเป็นลําดับลําดาแล้วเป็น ต้นทุนหนุนศรัทธาความเชื่อของเราให้ขยับตัวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วความภาคเพียรก็จะหมุนมาตามๆกันมาเป็นเหมือนกับแม่เหล็กผ ล, ลนั้นเป็นเหมือนแม่เหล็กเครื่องดึงดูดความภาคเพียรกับอุตสาพยายามทั้งหลายให้เดินตามลาุดรวมกันเป็นพลังขึ้นมาพายในจิตใจของเราที่นี่คาว่าสมาธิคำว่าสมาธินั้นหมายถึงกิต ที่มีฐานเป็นของตัวเองนะถ้าถ้าจะแปลตามหลักนักปฏิบัติจริงๆที่รู้ที่เห็นเรื่องของความสงบและเรื่องของสมาธิแล้วต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ใครรู้ก็จะรู้เหมือนกันนี้เห็นก็เห็นเหมือนกันนี้ถ้าได้ปฏิบัติควรจะรู้จะเห็นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะนี่หลักใหญ่ตรงนี้คํา <c oughs> ว่าจิตเป็นสมาธินั่น หมายถึงจิตที่มีความสงบเข้าหลายครั้งหลายหนจนตั้งเป็นฐานทั้งตนขึ้นมาได้แน่นหนามั่นคงอยู่ภายในจิตใจแม้จิตจะคิดจะปรุงเรื่องอะไรอะไรอยู่ก็าตามในขณะนั้นเรากําหนดลงดูจุดแห่งความรู้นั้นจะเห็นความแน่นหนามั่นคงเป็นของตัวอยู่โดยลําพังนั่นเป็นปกตินี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิจิตสงบสงบตัวหลายครั้งหลายหนนั่นแหละเข้าเ ป, เป็นสมาธิแต่เวลาพูดแล้วก็พูดว่า ทำสมาธิดึือจิตรวมว่าเป็นสมาธิให้พึงคำความเข้าใจเอาไว้ว่าเป็นดังที่กล่าวมานี้ทีนี้คำว่าจิตออกก้าวทางด้านปัญญานั้นเวลาจิตที่สงบแนวอย่านั้นไม่ควรรบกวนนอกจากว่าจิตสงบก็ได้ให้สงบอยู่เฉยก็ได้และมีการคิดอ่านใ่ตองได้อยู่ก็ได้จะจะคิดอ่านใ่ตองก็ได้ ด้วยความสงบของจิต <c oughs> นั้นอย่างนี้เราจะพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นการเป็นเวลาสับคือเปลี่ยนระยะกันไปกับสมาธิก็ได้การพิจารณาทางด้านปัญญาต้องได้ใช้ความพินิษพิจารณาถ้าคิดผ่าอ่านนะเราอย่าปล่อยนะว่าปัญญานี้จะเกิดเองเมื่อมีสมาธิแล้วเราอยากเข้าใจายอย่างนั้นนั่นถ้าหากเป็นท่านผู้เป็น คิด ป, ปาปิญญาที่รู้ได้เร็วนั้นมีทางเป็นไปได้แต่ผู้พวกพวกถูพวกไทถทะลอะปลอกเปิบอย่างพวกเหล่านี้จะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาด้วยการฉุดการลากการทาทำงานบังคับให้ทำงานโดยทางปัญญาคือถ้ากิจสงบก็สงบอยู่อย่างนั้นเราจะเห็นแต่ความสบายในความสงบเห็นความแปลกประหลาดอาจจัศจรรย์อยู่เพียงความสงบ เพระไม่เห็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่า น, นั้นจึงไม่สนใจความจริงเรื่องของปัญญาเยเป็นทางเดินก้าวเดินที่จะให้เข้าสู่ทำอันละเอียดจิตอัอนละเอียดและเห็นกิเลสประเภทละเอียดค่ากิเลสประเภททุกประเภทไปโดยลําดับลําดาจากปัญญานี้ไม่ใช่จากสมาธิสมาธิเป็นความสงบตัวเป็นต้นทุนจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตอิอ่มตัว ไม่คิดนน้นคิดนี้ยุ่งเหยิงบุบนวาด้วยความหิวโหวยในอารมณ์ทั้งหลายมีความอิ่มตัวอยู่ด้วยความสงบเย็นนี่เป็นผลอันหนึ่งเมื่อมีผลอันนี้แล้วก็เท่ากับเรามีต้นทุนเอาที่นี่พาคิดอ่านแต่จรองทางด้านปัญญาแล้วเมื่อจิตค่อยพิกพนาทางด้านปัญญาคลี่คลายกันออกไปโดยลาดับลาดาจนจิตเห็นคุณค่าของปัญญาว่าได้เข้าใจกิเลสประเภทนั้นเข้าใจประเภทนี้ และได้เข้าใจอาการแห่งร่างกายทั้งหลายส่วนนั้นส่วนนี้เข้าใจเรื่องเวทนาสุขทุกข์เฉยๆทั้งทางร่างกายและจิตใจส่วนนั้นส่วนนี้เข้าไปโดยลําดับแล้วย่อมจะลุกลามไปเรื่อยๆทีนี่ทั้งส่วนร่างกายคือรูปประขันทั้งเวทนาสัญญาสังขารปัญญาณอันเป็นนามขันจิตใจอเรื่องของปัญญาจะค่อยกระจายตัวไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยแล้วจะปลูกสติปัญญาให้ มีความตื่นตัวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วขยับเข้าไปเรื่อยด้วยอ ำ, อำนาจแห่งความเพียรเพราะเห็นผลเป็นพยานภายในจิตใจอยู่แล้วนี่แหละที่นี่จิตจะค่อยก้าวขยายตัวออกจากสมาธิเป็นปัญญาในการปฏิบัติระหว่างสมาธิกับปัญญานี้ที่ให้ถูกต้องดีงามเหมาะสมราบรื่นนะ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 นั่นแหละขณะที่จิตจะออกเที่ยวอยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นและนี้นั่นแหละนําปัญญาเข้าไปหรือหรือว่าใส่จิตนี้เข้าไปสู่ทางด้านปัญญาให้พิจารณาพาทําทงานะจะทํางานอะไรเพราะในโลกธาตุนี้มีต่างต่เรื่องเป็นทางเดินของปัญญาทางนั้นเป็นหินรับปัญญาทางนั้นไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายใน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 อยู่ไม่ได้ถึงขั้นปัญญาที่จะกระเทือนโลกแล้วต้องเหมือนกับไฟได้เชือ้อลุกลามไปเรื่อยเรื่อยือยมีอะไรสัมผัสสัมพันธ์แม้แต่ไม่มีก็เสาะแสวงหาเหตุหาผลเรื่อยไปจนกระทั่งได้เรื่องได้ราวได้เหตุได้ผลแล้วก็ก้าวไปเรื่อยเรื่อ ย, อยนั่นเรื่องของปัญญาเห็ น, นที่ปัญญาที่เป็นที่แน่นอนต่อความตรัสรูอา้าูง่ายๆอ้ามันเต็มเม็ดเต็มหน่อยเลย ทำพุทธเจ้ามาใช่เป็นของโกหกโลกจะมาปิดมาบังไว้ทําไมเอาให้เห็นจริงที่ทําพุทธเจ้าเป็นธรรมเปิดเผยอ่ามันควรจะได้ตรัสลุหรือควรจะได้บรรลุธรรมด้วยธรรมประเภทใดนี่ขั้นที่เป็นความมั่นใจของผู้ปฏิบัตินั้นคือขั้นของปัญญาเริ่มออกก้าวเดินนี่เริ่มจะเข้าใจแล้วจนกระทั่งปัญญาออกก้าวเดินโดยลําพังตนเองแล้วนี่แหละท่านว่าเป็นภาวนามายปัญญาปัญญาประเภทนี้เลยสร้างความแน่ใจ ให้แก่เจ้าของสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของว่าอย่างไรก็จะหลุดพ้นแน่ๆ แ, และอย่างไรก็ต้องไม่มีเหลือเกลี่ยเพราะมันทราบไปในลำดับลาดาของปัญญาที่ก้าวเดินเพราอก้าวเดินไปไหนเข้าใจตรงนั้นตัดตรงนั้นขาดตรงนั้นไปเรื่อยๆด้วยจิตก็โล่งโล่งออกไปโล่งไปเรื่อยๆการตัดนี้ไม่ใช่อะไรนะมันเกี่ยวโยงอยู่กับหัวใจของเหล่านี้อวิชชาปัญญาสร้งางคาราเกี่ยวโยงออกไปหมดเลย แต่เราไม่รู้ว่ามันไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นจึงต้องไปแยกไปแยะสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เป็นที่เข้าใจและถอนเรื่องอวิชชามันก็ถอนตัวเข้ามาคือความหลงเงินความสําคัญมันม่นหมายมันหดตัวเข้ามาเพราะปัญญาไปตีต้อนหรือฟาดปันหันแหลกมันมันก็ถอยเข้ามาถอยปัญญาคือความเห็นจริงรู้จริงไม่ใช่รู้ปลอมเห็นปลอมยึดแบบปลอมๆเหมือนอย่างกิเลสมันพายึดพาถือปัญญาเป็นเครื่องตัดเครื่องฟันเป็นเครื่องประกาศกลางวานัน ขึ้นภาในหัวใจของผู้ปฏิบัติด้วยความสัตย์ความจริงเพราะฉะนั้นเวลารู้แล้วท่านทิงว่าจะถาผู้ตังยาลาสตังรู้ไว้รู้และปล่อยวางไว้ตามเป็นจริง น, น, นั่นเมื่อเวลาแปลออกเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้สิ่งใดแล้วหิดย่อมปล่อยวางปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงตามจริงแล้วหดตัวเข้ามาอะไรพิจารณาไปไหนจิตไม่ขัดไม่คล้องขาดสะบั้นไปหมดทราบชัดว่าจิตนี้ได้ตัดขาดมาโดยลําดับแล้วนั่นปัญญาขั้นนี้เป็นเย่นนั้น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 เต็มโลกะธาตุก็ตามไม่ใช่สิ่งที่จะฉุดลากเราให้หลุดพ้นจากผุกมีพระโอวาทที่ถูกต้องแม่นยำที่เรียกว่าสุขคาธรรมนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านถึงเครารพมากที่สุดเลยนะผลที่สุดสติติดแนบอยู่กับตัวก็เหมือนองศคศาสดาอยู่กับตัวปัญญาหมุนตัวเป็นกรงจักรหรือเป็นธรรมจักรกุพาในตัวจึงเป็นเหมือนกับศาสดาเป็นผู้ฟาดฟันหั่นแหลกช่วยอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจประหนึ่งว่าพระศาสดาประทับให้เห็นอยู่นี่ภายใน องแห่งสัจธรรมทั้งสี่นี่เพราะฉะนั้นองค์แห่งสัจธรรมทั้งสีนี้ะะนน จ, รรนจึงเป็นฐานที่สร้างความบริ่อยสุดของจิตไม่ว่าจิตพระพุทธเจ้าไม่ว่าจิตของพระรหัสลหันไม่ว่าจิตพระปิจิตรพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจะนอกเหนือไปจากสัจธรรมนี้ไม่ได้อันนี้จึงเป็นธรรมที่ใหญ่โตมากที่สุดนี่แหละสัจธรรมทั้งสีคืออะไรโธสมุ ท, ทยัยนิโรธมักนี่เวลา จิต้าวเข้าไปสู่ปัญญาขั้นภาวนามยปัญญาแล้วจะไม่หนีจากหลักสัลธรรมทั้งสีนี้เลยถือสัลธรรมทั้งสีนี้เป็นสนามรบสงครามวาดฟันหันแหละกันอยู่ในนั้นสติอ่ยเรื่องทุกข์กับสมุทยัยไม่เห็นไม่ถือว่ามันเป็นค่าศึกเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากแต่ถือเป็นของจริงเช่นเดียวกันกับมรรคกับนิโรดนั่นแหละเวลาเข้าถึงกันจริงๆแล้วต่างอันต่างจริงเลยไม่มีอะไรเป็นค่าศึกกันทุกข์ก็ไม่เป็นค่าศึกเพราะทุกข์เป็นของจริงอันหนึ่งเท่านั้นหนัก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 ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, มันไม่รู้ความหมายของมันสมูทไทยก็เหมือนกันเวลาเข้าถึงกันแล้วมันไม่รู้ความหมายของมันแหละเรื่องของสติปัญญาของเราต่างหากที่จะแต่ก่อนยังไม่มีสติปัญญามันสมุทไทยนั้นมันจึงเป็นตัวภัยอย่างยิ่ ง, ง, งทั้งๆที่มันไม่ได้ว่ามันตเป็นตัวภัยต่อใครแต่มันก็เผาได้เช่นเดียวกับไฟนั่นแหละ น, นี้พอสติปัญญาอย่างเขาทราบถึงหลักความจริงทั้งสองอย่างนี้ด้วยมรรคสัตริย์ได้แก่สติปัญญาเป็นต้นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วนัละทะลุ ไปหมดหรือว่าจะมาดับสมูทายขาดสะบั้นลงไปก็ถูกก็เหมือนกับไฟลที่เอาเชื้อออกหมดแล้วมันจะลุกลามไปไหนนอกจากมันดับลงให้เห็นเท่านั้นนี่ก็เหมือนกันปัญญาเป็นผู้สอดส่องเป็นพูดสายปืนสายไฟสายเชื้อออกนี่พูดง่ายๆแล้วสมูทายมันจะต่อไปที่ไหน ต, ต, ตรงไหนเป็นที่เกิดของสมูทาแล้วก็ฟาดลงตร ง, ตรงนั้นอีกขาดสะบันไปีแล้วฐานไหน เป็นฐานของภูไทยอีกต่อไปไม่มีถูกทำลายแล้วด้วยมรรคมีมหาสติเป็นมหาปัญญาเป็นสำคัญนี่แหละพังกันลงที่ตรงนี้แล้วประกาศกังวานขึ้นภา น, นจิตใจว่าทุกนี้ดับไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยนั่นทันวันนโรธนีโร ด, โรดคือความดับทุกข์เพราะอำนาจแห่งมรรคที่มีกำลังเต็มที่แล้วสังหาร สมุทรทยให้ขาดสะ บ, บั้นลงไปก็เท่ากับสังหารทุกให้ขาดสะ บ, บ้ายบั้นลงไปในขณะเดียวกันเดี๋ยนอกจากทำสี่อย่างนี้คือทุกสมุทรไทยลดมากนี้แล้วคืออะไรนั่นละธรรมชาติอันนั้นไม่ใช่สัจธรรมทั้งสี่นี้เปนอันหนึ่งส่งหากที่เล็ดรอดออกมาจากสัจธรรมทั้งสีเป็นผู้กลั่นกรองให้เรียบร้อยบริสุทธิ์เต็มที่นี่แหละพระเจ้าขึ้นตรงนี้พระสาวกอรหันอรหันตั้งหลายขึ้นตรงนี้ทั้งนั้นแล้ว องไหนจะไปะคัดค้านพระเจ้าเมื่อตนก็ขุดขึ้นมาตรงนี้โทรขึ้นมาตรงนี้ด้ยวยความรู้สึกแต่ก่อนถูกสิ่งนี้พุ่มหอ้อมีทุกสมุทัยเป็นน้าขันพุม่มหอ้อปัญญานอนตายอยู่จมอยู่นั้นไม่มีทางออกและไม่ไม่รู้สึกการฟื้นตัวขึ้นมาเพื่อสังหารสมุทัยเลยแต่ตอนเมื่อเราได้รับการอบรมอยู่ตลอดเวลาแล้วย่อมมีกําลังแก่ก้าสามารถสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้อา้าว สมุูไทยซึ่งท่านบอกว่าเป็นข้าศึกข้าศึกไม่เคยรู้มันก็รู้มันก็รู้การละมันได้โดยลําดับลําดับจนกระทั่งถึงขาดสะบันไปหมดเอาที่นี้มีอะไรเป็นเงื่อนต่อกันไหมแม้ที่สุดในสัจธรรมทั้งสีนี้มีอะไรมาต่อกันกับกิจมีไหมไม่มีเลยนั่นเห็นไหมทุกท่านจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้เพื่อจะสาวหาเหตุคือสมูไทยสมุูไทยพึงละการละสมุูไทยละด้วยอะไรนั่น มันก็วิ่งไปถึงมาระด้วยสติละด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพีย่ยนนี่เป็นจริงควรละและนี่รวดควรเป็นทำเป็นธรรมที่ทําให้แจ้งจะทําให้แจ้งด้วยเหตุผลค น, นอะไรก็ด้วยสมุทัยเอาด้วยมาร์กนี่เองจะทํานี่รวดให้แจ้งมาร์กเป็นผู้ดับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกได้แก่สมุทยัยราบลงไปหมดแล้วทุกจะเอาอะไรมาเกิดก็เห็นขาดสะบั้นลงไปด้วยกันมาร์กที่เคยทําหน้าที่ เป็นเหมือนทํามาจากหมุนติ้วทั้งวันทั้งคืนไม่มีคำว่าอายะบทยืนเดินนั่งนอนนั้นระงับตัวลงไปอทุกข์ก็ดับเพียงเท่านั้นแล้วจะเอาอะไรมาดับอีกเท่านั้นนะแล้วสิ่งที่รู้ว่าทุกข์ก็ดับไปเสมาวยไทยดับไปเพราะอํานาจของมากคืออะไรนั่นแหละท่านบอกทําเป็นทำประเภทหนึ่งจากสัจธรรมทั้งสีน่นี้นั่นท่านเรียกว่าทำบริสุทธิ์ทำประเสริฐ พระพุทธเจ้ากระเสฐด้วยธรรมชาตินี้พระสาวกอรหัตรหันทั้งหลายทุกพระองค์ไม่มีเว้นจะเป็นล้านๆองค์ก็ตามออกจากสัาธรรมทั้งสีน่นี้แล้วท่านทําไมท่านจะค้านกันอืมปฏิเสธกันได้ลงคอละ่ะว่าพระพุทธเจ้าไม่มีอะก็เห็นอยู่ชัดๆอยู่ในองค์สัาธรรมซึ่งเราครองอยู่เวลานี้นะ่ะเรวปฏิเสธพระพุทธเจ้าได้ยังไงว่าไม่มเีเห็นได้ชัดว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ตัดตุ้แล้วทําไมองค์นั้นจะตัสรุ้ไม่ได้ องค์นั้นทำไมจะตัดสรุปไม่ได้เนี้ยเมื่อเป็นอย่างนี้ทําไมจริงๆไม่มีจํานวนมากขึ้นเรื่อับเป็นถึงเป็นล้านล้านล้านล้านล่ะท่าฟังสิเพราะมีขึ้นได้ด้วยเหตุผลกลไกนี้ทําไมจะมีไม่ได้เช่นอย่างองค์ก่อนก็มีได้ด้วยเหตุนี้องค hmm. ์น yeah, anyway. well. um mm ี้ก็มีได้ด้วยเหตุนี้องค์หน้าไปต่อไปอนาคตก็จะมีได้ด้วยเหตุนี้เหมือนกันแล้วเหตุใดบุรีเจ้าจะสูญจากโลกไปได้ล่ะก็เมื่อมันเห็นจะชัดประจักษ์กันอยู่กับหัวใจของเราผู้รู้ผู้เห็นสัจธรรมทั้งสี่รอบหัวใจจนกระทั่งถึงบริสุทธิ์ประ ธรรมชาติที่คัดข้านตัวมันได้แล้วจะคัดค้านพู้เจ้าได้อย่างไงซึ่งเป็นภูเอกอยู่แล้วนั่นนั่นแพ่งพิณาที่แล้วสาวกอราหันหันท่านไปจากไหนดูตัวจิตตรงนี้แล้วพอเลยพอเลยพอเลยอเล ย, ยอมรับกราบราบนั่นนี่แหละทำพู้เจ้าสดดร้อนๆอย่างนี้จึงได้อยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นได้ปฏิบัติให้ถึงความจริงเมื่อถึงความจริงนี้แล้วอ้ามันจะเสียดายอะไรอะไรบ้างในของในโลกนี่ทั้งสามแดนโลกธาตุนี่เพราะเราเคยกอดเคยแบบเคยหามกองทุกข์ทั้งหลายเพราะ อ, อยู่ในวงแดนโลกธาตุและแบกขามอุปทานความยิ่มัน่นถือมั่นในสิ่งหลายมา น, นี้นานแสนนานมากแสนมากสิ่งใดที่เราไม่เคยยึดมีเหรืะนอกจากมันลืมไปทั้งนั้นเยสถานที่ใดที่เราไม่เคยเกิดมันเกิดได้ทั้งนั้นแหละเน้อโรกอันหลุมไหนที่เราจะไม่เคยเกิดอสวรรค์ชั้นไหนที่เราไม่เคยเกิดนอกจากพรหมโลกหาชั้นและพระนิพพานเท่านั้นดังนั้นมันเคยไปเคยขึ้นเคยลงเคยตกเหวตกบ่อมามากต่อมา ก, มากแล้วในจิตดวงเดียวเนี่ยมั น, นมากต่อมากถึที่เคยพูดว่าเหมือน ไอ้กอไผ่มันรากมันหนาเนี่ยนี่กอไผ่ก็คือจิตทั้งเราเนี่ยรากมันหนาก็คือความเกิดของมันนั่นแหละมันเกิดมาอยู่ไม่ถอยทั้งนหนั้งนั้นเนี่ยทีนี้มันทำไมมันจะไม่รู้ล่ะออืเมื่อมันขาดสะบัดหมดทีนี้ไม่มีอะไรเงื่อนต่อแล้วชาติเปลีนแล้วใไหนอีกที่มันก็รู้ชัดไม่มีแบบไม่มีที่ว่าจะไปหรือว่าจะมาไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีภพชาติจะหมายตรงไหนมันไม่ติดอะไรแล้วจะเอาอะไรไปติด จะ อ, อะไรไปหมายมันจะไปเกิดไปที่ตรงไหนมันชัดอยู่ประจักษ์ใจท่านบัดบสันติโกสันติโกชาติไหม่ที่นี่นั่นลงประกาศกลางวันอยู่ในนี้แล้วทําไมจะไม่ยอมรับภูริชาติทั้งหลายล่ะนั่นนี่แหละหลักอันสําคัญนึงอยากให้หมู่เพื่อนไปปฏิบัติให้รู้ให้เห็นดูที่มันจะเสียดายอะไรในโลกอันนี้นั่นเป็นดินนี้เป็นน้าน้ำเป็นลมนี้เป็นไฟเราเหยียบเราย่ำเาแม้แต่อยู่ในร่างกายเรามีแต่สิ่งเหล่านี้มันให้ความวิเศษวิโสอะไรบีบบังคับข่มเเวลานี้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้เพราะหลงมัน ยิ่งได้แบกได้หามมันยึดติดลอดเวลาแล้วเรายังไม่เสร็จไม่หลาบอยู่หรือการหลุดพ้นจากทุกการหลุดพ้นจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายเ่านี้ไปเสียโดยสิ้นเชิงแล้วเอ้ายังจะมาแบกทุกแบกอะไรทุกกับอะไรพิจารณาสิเราแบกเราหามอะไรยึดมั่นอะไรมันทุกกับสิ่งนั้นที่นั้นเราเห็นจะที่นี้เวลามันถอนตัวไปหมดแล้วมันจะทุกข์กับอะไรดูทีแม้แต่ธาตุขันภายในตัวงเรานี้ก็บอกว่าทุกข์ทุกมันก็สักแต่ว่า เป็นความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นดังที่พิจารณาในสัจธรรมเพราะอันนี้มันเป็นสัจธรรมอมันอยู่แล้วจะสักแต่ว่าสักแต่ว่านั้นจิต ด, ดุจิตขณะไหนล่ะที่จะไปะยึดสิ่งว่านี้ว่ามาเป็นตัวของตัวพอที่จะให้ไฟอุปทานของยุนันถือมันมาเผาเร า, เาไม่มีเอาทําไปเถอะผู้ปฏิบัติจะได้เห็นในตัวเองไม่ต้องไปถามแม่สาธุพูดแล้วไม่ได้ประมาทพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่กงหน้านี้ก็ตามจะไม่ทูลถาม เพราะเป็นอันเดียวกันนี่นอกจากจะกราปลาบอโอ้แต่ก่อนข้าพรงหลับตาอยู่ไม่เห็นคราวนี้เห็นแล้วไม่ทูลถามพระ อ, องค์แหละนอกจากจะว่ า, าเท่านั้นว่าอยา่างนี้ว่าอะไจริงจริงที่นี้ไม่ทูลถามเหมือนอย่างพระนันทะเอาพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประกันทีเดียวอืมเห็นไหมในในหนังสือปร ะ, ประวัติ น, น่ะในหนังสือที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมและพระนันทะเอาพระนันทัะไปบวชนันพระนันทะกําลังจะแต่งงานอยู่แล้วนั่นเราพูดจะย่ออย่างนี้เลย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 และทำเหล่านี้พระนันทกเคยทราบแล้วหรือซึ่งเป็นของวิเศษนี้เพราะฉะนั้นจึงแยกพระนันทาออกมาจากความรักความชอบใจในหญิงรเรียกอะไรนะที่ว่ากรณียานีที่ว่างามในโลกผมลืมไปแน่ล่ละคำพูดเร็วๆอย่างนี้มันไม่ทันนงามขนาดไหนรักชอบขนาดไหนทั้งทั้งจะแต่งงานกันอยู่ในสดสร้อนๆในขนาดนั้นพระองค์ก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เคยผ่านมาแล้วเคยเป็นมาแล้วมันพาโลกพาสงสารพาใครให้วิเศษที่ไหน มันก็คือเรื่องของจมในวัฏฏะนั่นเองส่วนที่จะพรากพระนันท h ออกไปบวชเพื่อสลัดสิ่งเหล่านี้ออกจากใจถึงประนิพพานสดสดตอนร้อนทั้งเป็นทั้งตายนี่เป็นของอันเป็นของวิเศษมากนี่มันวิเศษยิง่งกว่านั้นเป็นไหนไหนเพราะฉะนั้นจึงไม่อะไรเสียดายแม้พระนัน tha จะคิดถึงนางเชนบทกัญญาณีมากเพียงไรก็ตามนางเชนบทกัญญาณีร้องตามขนาดไหนก็ตามเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสลํารีลําไร เป็นรักเสียดายอะไรอววรต่อกันเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของวิเศษวิโสเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่อะไราเสียดายจึงไม่สนพระไถ่กับสิ่งนี้นอกจากที่จะให้พระอะให้อนันทะนั่นนะให้พระพรนันทะที่เป็นน้องภาษาตลาดเราเรียกว่าน้องชายพระอนุชานี่ยได้สลัดปัดทิ้งสิ่งอันนี้เพื่อความบุญพ้นโดยถาเดียวอันเป็นของวิเศษเท่านั้นพระองค์ไม่เห็นอะไรเป็นของวิเศษจึงต้อง ยอมพระองค์ลงเพื่อทําบ ท, ทธรรมชาติอันนี้แกพระนันทะแล้วเป็นผู้รับรองยืนยันพระนันทะเอาเถอะนันทะจะพาปฏิบัติเอราจะพาไปเห็นของดีเอาของดียิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านี้แล้วก็แสดงอิทธิปฏิหารหลายด้านหลายทางเอาไปดูลิงแล้วเป็นยังไงลิงแล้วแสดงเป็นเทพบุตรเทวดาพาไปดูหมดออืมีแต่ผู้สวยงามแล้วดูนางเชนบทกัญยาณีไปนะโอ้เหมือนกัะลิงตัวนั้นน่ย และสุดท้ายก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่จนกระทั่งได้บรรลุธรรมไม่มีอะไรดีทั้งนั้นในโลกนี้ความดีๆมีแต่ความเสกเสกสันสันความฝันทั้งเป็นท่านั้นนะอันนี้ไม่ฝันนี่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่พระเสด็จนี่แหละพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยืนยันรับรองอพระนันทะให้ไปบวชจนกระทั่งพระนันทะได้บรรลุธรรมเต็มสัดเต็มส่วนเต็มหัวใจเลิศเลอยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกแล้วจึงมาทิ่ีนี้ค่ะพระองค์ได้ปล่อยจากเพราะ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 นี่แหละทำของเลือดของประเสริฐเมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่มีคําว่าจะจะให้ใครรับรองจะให้ใครยืนยันจะให้ใครเป็นพยานแม้ศาสนาองค์เอกก็อย่างภาษาริวุฒที่เคยเล่าให้ฟังแล้วออนี่แหละแล้วก็พระนันทานอีกเป็นตะขีพยานอีกอหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะเป็นถ้าว่าเราจะเทียบเป็นสมมุติแล้วก็เป็นตัวทั้งตัวโดยสมมูรณแล้วไม่ไม่หวังอะไรที่จะพึง่งไม่มีอะไรบกพร่องที่จะพึง่งที่จะมาเพิ่มเติมแล้วสมบูรณ์เต็มที่แล้ว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 ทำสองขุนเจ้าแล้วให้เขารบตั้งใจคุยปฏิบัติท่องสอนตรงไหนให้ถือเหมือนพระองค์ชี้บอกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะถ้าน์สดร้อนเนี่ยพระโอวาสเนี่ยไม่ได้ห่างไกลเลยไม่ได้เป็นเรียกว่าอาการลิโกอาการลิโกเห็นไหมในธรรมอาการด้วยกรารทำมีตลอดเวลาความจริงท่างหลายที่ใช้ดูเห็นมีตลอดเวลาเอาเธอพิการไปต้องรู้ต้องเห็นถ้าเราไม่ให้กิเลสมันมาหลอกเสียเท่านั้นมาบีบบังคับหรือมาปิดหูปิดตาเสีย ทำกิจการเป็นของคือ ข, ข, ของลาสมัยไปเสียที่เด็ดตัวเหม็นเหมือนมูดเหมือนขูดได้กลายเป็นของทันสมัยไปเสีย น, นั่นที่โรคที่โกรธที่หลงจะไม่เรียกว่าขี้อะไรแล้วมันกระทันสมัยเห็นไหมทุกวันนี้มันทันสมัยไหมมันล้ําสมัยไปสินั่นดูที่คนในโลกเวลานี้มันเป็นยังไงมีความถูกความทุกข์ความเดือดร้อนมากมาขนาดไหนทั้งทังที่เรียนมาจนกระทั่งถึงคำพีแตกอกจะแตกมันเข้าใจตัวเองสําคัญประเด็นว่ารู้มาก จนกระทั่งพุงมันจะแตกแล้วความทุกข์มันก็จะจะร่างมันจะแตกทั้งเป็นเห็นไหมละ่ะนั่นมันเอาความรู้มาจากไหนนั่นแบบความรู้ของกิเลสมันบรรจุเข้าในหัวใจสัตว์โลกทั้งหลายนั้นจะเกิดความสัมพันธขึ้นเป็นชั้นที่สองว่าเรารู้รสชาติบนเวลาเราจะตายด้วยความทุกข์เพราะกิเลสบีบบังคับนี่เราไม่เห็นดูวัะนั่นแต่เรื่องของธรรมนี่เอากิเลสจะออกมาทางไหนมาเถอะถ้าลงได้ถึงขั้นนี้ขั้นที่ว่าบีมุติดุดพน้นไปแล้วมันจะออกแง่ไหน ในหัวใจของจะของมันหมดแล้วมันไม่มีทางออกแล้วมันจะออกแง่ไดของบุคคลผู้ใดสัตว์ตัวใดมันรู้ทันทีที่เพราะเคยได้ฟัดได้เหวี่ยงกันมาพอแล้วนี่เพราะาจริงว่าทำเหนือโลกโลกุตตระธรรมแปลว่าทำเหนือโลกมันเหนืออย่างนี้เองเหนือกิเลสนี่เองกิเลนเป็นโรกล้นล้วนทำเป็นทำล้วนรู้หมดทันหมดเลยนะเหตุการปฏิบัติธรรมก็กําลังไม่จะล้มเหลวไปแล้วนานเดี๋ยวนี้พอแม่ครูบาอาจารย์มั่นเราก็ล่วงไปครูบาอาจารย์ที่ เป็นที่เขาลบมับถือก็ค่อยร่วงโรยไปร่วงโรยไปและจืดไปจืดไปจืดไปในสิ่งที่ดีทั้งหลายจืดไปจืดไปในสิ่งที่เลวทั้งหลายแล้ว เ, เข้มข้นเข้ามาเข้มข้นเข้ามาปรากฏว่ามีรสชาติเข้ามาเลื่อยดื่มดำเข้าไปเรื่อยไม่รู้วันรู้คืนเข้าน้บเวลานี้มันจะเป็นกรรมฐานเป็นบ้านะอันนี้นี่พตกพี่จันมากทีเดียวมันจะเป็นกรรมฐานทันสมัยแล้วก็เอาชื่อกูาอาจารย์ไปจาหน่ายขายกินนะ่ะฮะ เฉพาะ อ, อย่างยิ่งกับลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นสายท่านอาจารย์มั่นเนีย่ยสำคัญมากนะนี่นี่แหละที่ขายกินของพระโจรพูล่ายในวงปฏิบัติเรามันเป็นอย่างนี้เราอยากเข้าใจว่ากรรมฐานนี่จะดีไปทุกลูกทุกนามันไม่ดีนะออที่ดีมีน้อยที่ชั่วเรวยสามมีมากนะเพระาะนั้นจึงของให้ทุกๆ ท, ท่านได้ทําความเข้าใจเอาไว้กับตนเองว่าเราจะเป็นคนประเภทไหนพระประเภทไหนเออประเภทลูกศิษย์มีคุณจริงหรือประเทศแบบประเภทแบกแนวอวด ตัวดีเก่งกว่าครูกว่าอาจารย์แซงหน้าแซงหลังไปนั้นมีแล้วนะเวลาเนี่ยในกรุงเทพนี่ก็มีแล้วพวกทางไปจากทางภาคอีสานนี่แลหละอืมเราวิต ว, วิจารณเพราะฉะนั้นเราจี่ได้เข้าไปมูนิตีของหลวงปู่มั่นนั่นซึ่งเป็นสมบัติของวัตตาบรรดาแต่เราไม่เคยบอกเลยว่ามูนิตีนี้เป็นสมบัติของวัตตาบรรดาโดยสมบูรณ์แล้วในทางกฎหมายเราไม่เคยบอกไม่เคยพูดเลยไปมาแล้วก็ฟังไปฟังมา แล้วฟังเสียงมันมีมักจะมีผลลบขึ้นมาเรื่อยๆและเป็นผลลบขึ้นมาเรื่อยๆมันยังไงกันนี่เพราะเราเป็นเจ้าของนี่เราก็เข้าไปใช่ไหมสิพอเข้าไปก็ทราบเรื่องทราบราวแล้วก็ใส่กันเตี้ยงเลยสถานที่นี่เป็นสถานที่สำหรับพระป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนตัวเป็นเวลล์มเมลลา ก, ก่อนที่จะเข้าไปติดต่อกับหมอและคลินิกตลอ ด, ดุ้งหลวงธงพยาบาลให้ได้มาภักที้สะดวกสบายตั้งหากหนาแล้วครูบาอาจารย์ที่มาด้วยความเป็นอดเป็นธรรม เพื่อจะแนะนําต่างสอวนประชาชนเป็นการเป็นข่าวตัางหากหนะไม่ใช่มาให้พวกกรรมฐ า, า, านขี้หมูขี้หมาเหล่านี่มาปรากฏในเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองในกรุงเทพนี่หนาเอาขนาดนั้นน้ำวันแล้วก็ได้ทราบเอาให้ทราบซะด้วยว่าสมบัติมูลนิธินี้เป็นสมบัติของว่าป่าบันตาดใครจะมาทําให้เลอะเทอะหนักนะ่ะนี่ยังจะหนักกว่านั้นอีกนะถ้ายังเป็นอีกลายังจะหนักของนี้จะได้เขียนประกาศไปติดตั้งไว้เลยชื่อมหาบัวใส่ลงไปปึ ง, ป, งป๋งเลยว่าเป็นอะไรไปเพราะเรารักษา ความดีเอาไว้ไม่อย่างนั้นมันจะเสียไปหมดนี่เฮจะเป็นกรรมฐานจําหน่ายขายกินไปหมดนี่จะว่างเลยทั้งๆที่กรุงเทพเขามีความเคารพนับถือวงกรรมฐานของพ่อแม่ผู้จารมันเรา น, นี่มากที่สุดแล้วจะไปขายขี่หน้ายเขาเห็นเราไม่อยากเห็นจะว่าแต่เขาเลยใครจะอยากเห็นนี่แหละมันมีตะวิจารณ์ตรงนี้น่ะนั่นเป็นทําให้เป็นยังไงอสักกะโลพูยสังหันตีแบบไงนลาบสักกะร ะ, ะสำหรับคนงูแล้วติดเร็วที่สุดเลยใช่ว่างไงนี่แหละแปล แล้วภาคปฏิบัติถ้าแปลทางด้านปรธยศาสักโลภุยสังคติแล้วราบตะกะละย่อมฆ้าบุรุษที่โง่เขานั่นแปลทางปพิธย์อ่แปลทางด้านปฏิบัติก็อย่างที่ว่านเนี่ยทํามจะแปลมาได้แต่เอาความเอาอัดเอาทำเอาให้ถึงใจกิเลสเอาให้ถึงหัวกิเลสฟาดหัวกิเลสออกไปด้วยกันเข้าใจในธรรมทั้งหลายนี้ทีเราจะไปแปลแบบรููปคำคำให้แปลด้วยรู้ด้วยเห็นจริงๆแล้วแปลออกมาพูดออกมาคือเหมือนอย่างเราเดินไปไหนก็ตาม เราไปเราไปได้ยินเรื่องราวอะไรก็ตามคาบอกเล่าของคนที่มาบอกเล่าเรื่องนั้นตรง น, น, นี้กับคนที่เห็นจริงๆริงจัง น, นั้นกิริยาท่าทางมันต่างกันมากเลยนะคนที่เห็นจริงจริงนี่พูดจะเข้มข้นพูดอาจผานไม่มีสะทกสะทานเพราะไปเห็นมาเองนี่เหตุการณ์เห็นมาเองทุกทุกสิ่งทุกอย่างจะสงสยัยที่ไหนพอที่จะรู้ลูกคำคำไม่เหมือนพูดได้รับคําบอกเล่ามาพู ด, ดรับคําบอกเล่ามานี่พูดงูปลาผิดบ้างถูกบ้างบ้ากันไปนั่น ถ้าพูดได้ไปเห็นเองจริงๆและเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงอยากให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยได้เห็นจริงๆเรื่องธรรมของพระริเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรมันจะเป็นเหมือนกับที่เราเรียนมาไหมเราไม่ได้ประมาณนัการเรียนมาคือเรียนคําบอกเล่าทั้งๆที่เราก็ไม่รู้เรียนจนกระทั่งถึงนิพพานหัวใจไม่เป็นนิพพานมีแต่กิเลสเต็มตัวจะไม่เรียกว่าคําบอกเล่าของไงท่านบอกให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นนะนี่เราก็จํามาจํามากิเลสเป็นอย่างนั้นตัณหาเป็นอย่างนี้มรรคผลนิพพานเป็นอย่างนนนนนนนนัััั้้้้ใหพยาาาามปฏิิบตงะ นี่คือคําบอกเล่าตามคําสอนพุทธเจ้าที่ส่งสามาทั้งๆที่ถูกเต้าในการสุดแต่หัว่าใจเรามันผิดมันไม่ถูกมันก็มีคําบอกเล่ามันก็ผ่านไปผ่านไปไม่ได้มีอะไรที่จะเข้าไปฆ่ากิเลสอยู่ภายในจิตใจเลยนี่การการที่เรียนจดจํามาเป็นอย่างนี้ผมก็เรียนมาแต่ว่างไงไม่ใช่ผมประมาทปริญัดมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาอย่างนั้นทีการเรียนมาเรียนมากขนาดไหนมันไม่ได้ฆ่ากิเลสตัวไหนตาได้เลยนจะว่ า, วางไงเพราะเป็นคําบอกเล่าเราไม่สนใจที่ปฏิบัติ ต่อเมื่อปฏิบัติให้หาเอานะนัะ่นคําหมายว่ า, างั้นนะปริยัตเดียนมาแล้วนี่บอกที่แนวทางให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะที่นี้นะเออมีแต่ความถูกต้องในงามจากสวขาธรรมทั้งนั้นนะเ อ, อที่สอนมาตอนนี้เนนี้นี่แหละคือว่าคําบอกเล่าบอกมาอย่างชัดเจนนี้นะให้ปฏิบัติตามนี่ให้ไปหาเอาที่นี่นะศีลให้ไปหาเอาสมาธิให้ไปหาเอานะนะปาอาัญญ า, า, า, าให้ไปหาเอาวิมุตติพจน์ให้ไปหาเอากิเลสฆ่าเอาเองนะผูดในงานกิเลสตัวใดก็จะเห็น จากผู้ปฏิบัตินั่นแนหะผู้ปฏิบัติเป็นผู้จะเห็นกิเลสเป็นผู้จะฆ่ากิเลสผู้ปฏิบัติเป็นผู้จะจะรูจะ้จะเห็นนะสมาธิปัญญาทุกขั้นจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นไม่มีผู้อื่นใดที่จะรู้ยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติแล้วเอาไปหาเอานะเปนความหมายว่าท่านว่าอย่างนั้นเพราะนั้นผู้เรียนแล้วท่านจึงบอกว่าปริญัตปฏิบัติเมื่อเรียนแล้วให้ไปปฏิบัติคือให้ไปหาเอานาบอกวิธีการทุกสีอย่างแรกเทานะพอไปหาเอาเจออันไหนก็บอกอว่าปฏิเวทะปฏิเวทะหรือปฏิเวสปฏิเวส S <S.> เจอสมาธิก็เป็นปฏิเวทรู้แจ้งเห็นจริงในสมาธิเจอปัญญาก็เป็นปฏิเวทในปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในปัญญาข่ากิเลสตัวใดชัดตายลงไปแล้วก็รู้แจ้งเห็นชัดว่าได้ข่ากิเลสตัวนี้ตายลงไปแล้วจนกระทั่งทะลุบุบโปรงถึงความบริสุทธิ์ดูดพ้นถึงปานิพานแล้วทําไมจะไม่เป็นปฏิวัติ ป, ฏ, ป, ฏ, ปฏิเวทธาตุชั่วบู์จากการปฏิบัติเพราะการหาเอานี้ซึ่งสืบเนื่อง ม, มาจากคำบอกเล่านั้นหรอกนี่หลักมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงอยากให้ปฏิบัติมาเรียนเฉยมาด้เรื่องอะไรมีตั้งแต่ชื่อของกิเลสจําได้ เต็มพุงแต่มันก็เป็นความหมายอันหนึ่งให้กิเลสแทรกเข้าไปนั่นสําคัญว่าตัวรู้ตัวฉลาดความจริงแบบ ก, กิเลสความสําคัญมันมากมายหนักไม่มีใครหนักยิ่งกว่า น, นักปราชญอที่จดจํา ม, มาละวคำคำบอกเล่ามาทีนี้นเวลาปฏิบัติเราอยากจะทราบวันนี้เป็นข้อเทียบเียงกันเอาปฏิบัติสิเมื่อปฏิบัติแล้วกิเลสตัวไหนมันเป็นกิเลสมันก็รู้รููรรร้จนกระทั่งถึงพังลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือถืออะไรที่นี้นั่นแล้วพูดที่นี่จะพูดอะไรก็พูดที่นีไปเห็นมาเองไปดูมาเองทําไมมันจะผิดไปฮ ทำไมมันจะไม่อาจฐานผู้ที่ไปรู้เองเห็นเองด้วยหัวใจของตัวเองสติก็เป็นตัวของตัวเองปัญญาเป็นของตัวเองมักุณิพานเป็นของตัวเองตู้ที่อย่างเห็นอยู่ประจักษ์ใจนี่มันจะฉกฉาทัศน์ปฏิหน้าในการพูดในการเทศการศาสนาว่าการก็ดีด้วยการอะไรก็ดีมันผิดกันกับคําบอกเล่าคาําบอกเล่าอย่างพวกเราเนี่ยเรียนมาแล้วแต่ผิดผิดถูกถูกแต่แล้วกลัวจะผิดสั์นั้นกลัวจะผิดจั์นี้ผมก็มเคยเป็นมาแล้วนี่น่ะเอกลัวจะผิดบทนั้นบาตรนี้กลัวจะผิดธาตุดิพัฏต์ปัจจัยบางอะไรต่ออะไร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 สีแยกแบ้านโรงเข็งเข้ามาสู่นี้บอกมาโดยลาดับนี่เป็นคําบอกเล่านะจากผู้ที่เห็นแล้วเฮอผู้ที่แยกก็เหมือนกันเป็นผู้รู้ผู้เห็นแล้วประธานวัดเอาไว้นี่ผู้ไปศึกษามานี่เป็นคําบอกเล่าแล้วนะนั่นเนี่ยได้เป็นคําบอกเล่าเพราะตัวเองยังไม่ได้ก็ต้องเป็นคําบอกเล่าซะก่อนอันนี้ก็เหมือนกันมาวัดต่อวัดตัดถือแปลนั้นมาอ้าวดูแปลนั้นมามาถึงนั้นแยกแยกนั้นอย่างนั้นก็แยกเข้ามาแยกเข้ามาจนกระทั่งเข้ามาถึงวัดต่อวัดตัดจริงๆแล้วสภาพที่ไม่บอกมีเยอะ อะไรบ้างที่แผนที่ไม่บอกแบบแผนไม่บอกไว้เราปฏิเสธได้ไหมว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นในสิ่งนั้นเห็นมาโดยลำดับลาดับจนกระทั่งเข้าถึงวัดป่าบรรทดสงสัยที่ไหนที่นี่เมื่อถึงวัดป่าบรรทดอ๋อวัดป่าบรรทัดเป็นอย่างนี้มันจะประจักษ์ในหัวใจทันทีเวลามาถือแบบแผนผังมามาด้วยความสงสัยว่าวป่ามีก็จริงแต่ไม่พ้นความสงสัยแต่เวลามาเจอด้วยประจักษ์ด้วยตาของเราแล้วสงสัยที่ไหนไปไหนก็ไปเถอดนี่หายสงสัยแล้วว่าเรื่องวัดป่าบรตาัดนี่ชั้นใด การรู้อัดรู้ทำก็ฉันนั้นเหมือนกันปฏิบัติตัวเองลงไปปฏิบัติตัวเอ ง, งไปเหมือนกับเราก้าวเดินเข้ามาสู่วัดป่าบัรทัดที่เวลาสมาธิยังไม่เคยเห็นแค่เห็นก็นมาเห็นก็นมาเลื่อยเข้ามาจกนกระั้งที่มุดดุดพ้นเต็มหัวใจแล้วสงสัยที่ไหนนี่หมดความสงสัยเหมือนกับผู้ที่มาเห็นวัดป่าบรรทัประจักษ์ตาประจักษ์ใจแล้วหายสงสัยฉันใดก็เหมือนกันผู้ที่รู้ทำเป็นทำด้วยการปฏิบัติเต็มหัวใจแล้วย่อมหายสงสัยเช่นเดียวกันนั่นแม้วุรีเจ้าประทับอยู่ก็ไม่ทูลถามฟังสิอย่างที่เคยพูดพระอัญญตาล่าง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 ที่แล้วก็หาที่ทุนถามมาได้เช่นเดียวกันนี่แหละเรื่องทำมวยเจ้ายิ่งว่าสันที่โกสันทิโกถ้ายังทีต้องทุนถามในความจริงที่รู้อยู่แล้วสันที่โกมีความหมายอะไรพรูเจ้าสอนมไม่ทําไมว่าส่วนใครจะทได้ยังไงมันไม่มไม่ได้ตัดว่าชอบแล้วนี่นะมันไม่ได้เป็นนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วทุนถามพระองค์ทําไมนานนี่เราความจริงให้มันเห็นสวดร่อนอ ง, งี้การปฏิบัติามมาทำธรรมะสวดร้อนร่แทะอยู่ในหัวใจเรานี่นะอริยสัจทั้งสีอยู่ในหัวใจเนี่นะ ย, ยตสติปัญญาอยู่หัวใจสร้างขึ้นมาใช่ ไอ้มันเห็นมันรู้สิทำไมจึงจะเป็นมรรคผลที่ผ่านตั้งแต่สมัยโน้นสมัยนี้ไปไหนหมดทำของพระพุทธเจ้าทำแก้กิเลสเป็นทำแก้กิเลสอยู่โดยตรงแล้วเคลื่อนที่ไปไหนเปลี่ยนแปลงไปไหนกิเลสมันยังไม่เห็นเปลี่ยนแปลงตัวของมันเองธรรมะที่จะฆ่ากิเลกก็เป็นธรรมะที่สังหารกิเลสได้เช่นเดียวกับขั้นบูตการแล้วเราสงสัยทำไมสงสัยหาอะไรแลนอนอยู่จมอยู่ทำไมจึงไม่เอาธรรมเหล่านี้มาแก้พระพุทธเจ้าแก้กิเลสด้วยอะไรด้วยความภาคความเพียรด้วยสติปัญญาเอามาสิพิจารณาสิเราอยู่ในโลกนี้เราอยู่มานานแล้ว เรายัางติดอะไรเราสงสัยอะไรเดี๋ยวนี้ยังไม่จริงจังยังไม่ดืม่มยังดื่มดั่งกับอะไรอะไรเป็นของใหมน่นะูกเกิดจากะตายเป็นของใหม่หรือมันเป็นของที่ให้ความทุกทรมานเรามากแสนมากเพราะเรื่องเกิดจากจะ ต, ตายนี่แหละไม่ใช่เรื่องอะไรเอะพ่อกาก์ดจำมานเอาละเหนื่อยพ <laughs> อแล้ว <laughs> อ, อยู่ละทั <laughs> ้งดอย่าดูมันพิล่นะเหมือนฟ้าดินตลบ เหมือนกับขังกเลสตัวโมโหตัวโสเต็มตัวเลยฟาดออกไปเลยอยู่กับโมโหกิเลสนาเลยไม่ใช่โมโหคนกัโมโหกิเลสอยู่ในหัวใจคนสิทำไมมันขี่รถอยู่ทําไมขี้วัวขี่โกรธขี่หลงลถหัวใจเลอดเวลาปฏิบัติจิตเข้าไปเมื่อจิตมีความสงบเป็นพื้นเป็นฐานแล้วทําทั้งหลายนี่จะเข้าไหลเข้าเรื่อยๆทำละเอียะจิตละเยดเข้าไปทั้งหลายทำเหล่านี้จะหมุนตัวเข้าไปที่อยู่อยู่เข้ากันได้ปั๊บๆเลยนะเป็นเหมือนแม่เหล็กดูดกันเข้าเลย ไปฟังไปแล้วต่อไปจะอยเข้าใจแล้วเอาเทปไปฟังนั่งภาวนาฟังเทปนะเทปเปิดเบาๆพอได้ยินเฉพาะเจ้าของแล้วฟังนั่งภาวนาฟังเหนื่อยก็เดินปนกลมฟังเทปท่าปฏิบัติให้จิตตั้งจิตอยู่กับตัวอย่าส่งจิตเอาไปเช่นส่งจิตไปสู่ผู้เทศอย่างนี้ไม่ต้องให้ตั้งความรู้มีสติอยู่กับใจเนี่ยรู้อยู่นี่แล้วเสียงธรรมจะเข้ามาสัมผัสสัมผัสสัมผัสติ ด, ด, ด ต, ต่อสืบเนื่องกันไปเรื่อย ๆ, ยๆอันนี้ก็เลยค่อยสงบลงไปสงบไปเลยสงบแน่ว ต่อไปก็พอท่านเริ่มเทศปั๊บเราก็เริ่มกำหนดเหมือนกับว่าเราเปิดปากหม้อภาชนะสนับรับน้ำอันนี้เราเปิดปากหม้อคุยใจของเรานีด้วยสติรักษาเวลาพอเทศทีนู้นก็เสียงจะเข้ามาสัมผัสเสียงธรรมจะเข้ามาสัมผัสสัมผัสแยบแยบแยบสื่อเมืองแล้วเพินฟังอย่างนั้นเพิ่นความสัมผัสของเสียงธรรมกับใจรับรู้รับรู้กันแลสงบแนวสงบแนวนี่การสมาธิเป็นอย่างนั้น ถ้าเป็นขั้นปัญญาไม่เป็นอีกอย่างนะมันจะขยับตามนะขั้นปัญญาไม่อยู่นะท่านเทศนี้มันจะขยับขยับขยับตามนะมันไม่แน่วอยู่เหมือนกคอนเหมือนมันต่างกันนะจิตดวงเดียวนั้นแหละมันต่างขั้นต่างภูมิกันเพราะท่นเทศนีจิตอยู่ขั้นปัญญานี้มันจะขยับตามขยับตามขยับตามถึงมีนยังว่าพรนิพพานเหมือนว่าอยู่ชั่วเอื้อม เวลาทัานเทศเหมือนพนันธุพันอยู่ชั่วเอื้อมนี่แค่นั้นเพราะ ท, ท่านอยู่ตัวไปเหมือนกระทะครอบหวัวไม่เรื่องอะไรนี่เป็นผมว<ผ> ม, มันเป็นมาพอแล้วเรื่องนี้ฐานเราไปกองอยู่กรุงเทพนี่นผมรบับนิสตกมากยังไม่ถึงไหนนิสตงมากนะกับก็บมาฐานเราจะไปขายตัวเขาก็ลบนับถือก็เป็นสักกาโลภีสังขันติไปเท่านั้นนะลืมดินเหนียวมาติดหัวแล้วเข้าจะมีหงอนขึ้นไปอะสิ เอเป็นเรื่องของจิตเรศมั น, ม, นมันชอบยอนี่นะเมื่อเมื่อเข้ามานับถือก็เท่ากับเข้ามายอ่อแล้วเป็นบ้าไปเลยผ mm. ู้ที่มีหลักมีเกณฑ์ส่วนมากท่นไม่ค่อยไปหรอเรื่องอย่างนั้นไปก็ไปเป็นกิจจะแล้วก็น่ะไปหลวงไปแล้วท่านก็เป็นท่านอยู่ตลอดนั่นผู้มีผู้มีธรรมย่อมเป็นธรรมตลอดไม่มีธรรมมันสะคอยจะหาภายนอกเข้ามาเสริมมาเสริม และสุดท้ายก็เป็นเรื่องเข้ามาเหยียบตเจ้าของทําลายเจ้าของโดยไม่รู้สึกตัวแหละผมคิดหลายขั้นหลายตอนเหมือนกันนะไม่ใช่พิดเปียงขั้นเดียวตอนเดียวเดียวก็เรื่องวงคณะด้วยโมเพื่อนของเรานี้ด้วยวงคณะอุปถัมภ์ต่างเรานี้ด้วยเนี่ยนอกจากนั้นยังวงศาสนาอย่างกว้างขวางไปอีกด้วยถ้าจะ จะเป็นกังวลก็ได้เป็นจริงจริงแต่นี่ไม่เป่นพีหลายรอบแล้ ว, ลวปล่อยของมันไปเรื่อยธรรมดาอาการปกครองกันีนเนี่ยเป็นของสําคัญ อ, อยู่ด้วยกันเนี่ยกีเหลียดมันแรวกว่าทําทํำนา น, นไม่ตื่นขี้เหลียดขึ้นเหยียบหัวแล้วยังไม่รู้ถ้าตื่นก็ตืนพราะเหลียดเหยียบแรงเกินไปมันทุกข์มากมันจะตายมันก็ดิ่งขึ้นมาสักทีหนึ่งนั่นคน ลืมตัวมันเป็นงถ้าคนไม่ลืมตัวสติอยู่กับตัวพิษถูกประกันใดมันก็มันไปยึดไปถือใบนอกไปให้อภัยกันได้อย่างสบายสบายเพราะนักบวชคือนักให้อภัยปล่อยไปหมดแล้วไปยึดว่าเป็นของมีคุณค่าอะไรความมีคุณค่าที่ตรงไหนโดยความน้าคัญนั่นแหละคือตัวกิเลสตัวพิษตัวไฟตรงนั้นอันนี้อือเอาจาับปัญญค้นนี่ออกไปเลิ่มแล้วที่งนะ